ผู้มีสติตื่นตัวอยู่เนืองนิดมีจิตเป็นอิสระ จากราคะและโทสะละบุญและบาปได้ย่อมไม่กลัวอะไรพุทธภาษิตสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่บ่อยในระยะนี้ ซึ่งเป็นระยะปลายปีต่อต้นปีก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดะวงกันนะคะว่าปีหน้าจะเป็นยังไงครับปีหน้าจะเหมือนปีนี้ไหมปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีและหลายคนก็ได้รับผลของความที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่อนข้างจะหนักหนาเอาการอยู่ทีเดียว และหลายคนก็มีความหวังว่าปีหน้าน่าจะมีอะไรที่ดีๆกว่าปีนี้แต่บางคนก็เป็นกังวลว่าปีหน้าจะมีอะไรแย่กว่านี้หรือเปล่าเนี่ยบางคนก็ทำนายไทยทักไปขนาดว่าปีหน้าจะหนักกว่านี้อีกให้เตรียมตัวไว้เลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเรื่องการทำนายอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้ยินได้ฟังกันเรียกว่าแทบจะทุกปลายปีต่อต้นปีก็ว่าได้และสิ่งหนึ่งซึ่งเรามักจะ รู้กันเห็นกันก็คือว่าคำทำนายเนี่ยหาใช่จะเป็นจริงทั้งหมดหรือร้อยเอร์เซน์ไม่คำทำนายอาจจะเป็นแค่คำพยากรณ์ที่ต้องดูผลอีกที<ม>ว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเกือบทุกคนก็ว่าได้ลุ้นนะคะว่าเอ๊ะปีหน้าจะเป็นยังไงคงไม่ทุกคนนะคะขอช่ว่าเกือบทุกคนกันแล้วกันค่ะต่อเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์คิดยังไงคะเรื่องความกลัว เรื่องความมิตกกังวลเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาน ะ, ะเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกทั่วไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาสาหรับเราเสมอไปหรอกมันก็คือความคิดที่มันปรุงแต่งในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคนที่ไม่กังวลเขาก็มีอยู่เราต้องมองในแง่วงความเป็นจริงว่าปีหน้าเดือนหน้าวันพรุ่งนี้หรือเย็นนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้หรอก เป็นเรื่องของอนาคตซึ่งเป็นความไม่แน่นอนขอให้เราคูเป็นคำพู่ไปแล้วว่าพรุ่งนี้ปีหน้าเดือนหน้าไม่แน่นอนไม่แน่ไม่แน่นอนนะแต่ว่าขณะปัจจุบันเนี่ยอันนี้จริงกว่าของจริงคือตรงนี้เนี่ยตรงนี้แหละถ้าหากว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเป็นปกติดีอยู่โอ้เอาตัวนี้ไปก่อนแต่ถ้ามันเกิดความไม่ตกกังวลถึงอ น, นาคตก็ไม่เป็นไรนะ อันนั้นคือเรื่องอนาคตถ้าเรามีสติรู้ว่าอ๋อนี่เรากังวลแล้วนะเรามีความกลัวนะให้มีสติรู้เนี่ยสิ่งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปค่ะแล้วมันก็จะค่อยผ่านไปอันนี้สําคัญอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยให้ดูจิตของเราเองครับเนี่ยดูจิตดูใจแล้วเป็นการเจริญสติไปเลยเป็นการปฏิบัติธรรมดีแล้วดี่มันยังคิดกลัวยังคิดกังวลดีแล้วละ่ะเราจะได้มีอารมณ์กรรมฐานค่ะทุกวันเวลาเราสามารถทําได้เลย เรากําลังทํางานอะไรอยู่ถ้าจิตมันกังวลถึงอนาคตเราก็มีสติรู้มันจะไม่เป็นที่เราคิดหรอกเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีแต่การเปลี่ยนแปลงมันมีความไม่แน่นอนทําไมเราจึงไม่มองโลกในแง่ดีสิบ้างเราคิดว่าปีหน้าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรามองให้เป็นไปนทางดีบ้างไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากังวลร่วงหน้าแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยบางทีกลับกลายเป็นสิ่งดีไปซะด้วยถ้าจะคิดกังวล เราเปลี่ยนเป็นความคิดที่มีหวังเป็นมีความหวังมีความสุขหวังว่าจะมีอะไรดีๆในชีวิตดีกว่ากังวลว่าจะมีอะไรร้ายๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็จะบอกว่าถ้าคิดกังวลแล้วก็นอนถ้าดีกว่าคือแบบว่าหยุดคิดแล้วเอาเวลาไปนอนดีกว่ามีประโยชน์กว่าเราสามารถเปลี่ยนความคิดได้ค่ะก็คิดไปทางที่เป็นบวกซะ แต่อาจารย์คะถ้าเกิดจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นจริงๆแล้วเรามัวแต่มานั่งคิดดีเนี่ยมันจะไม่เป็นการหลอกตัวเองไม่ได้เตรียมใจให้พร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรอกเหรอคะการคิดดีเนี่ยเป็นการคิดเพื่อตั้งหลักตั้งหลักจิตใจให้ก็เป็นปกติซะก่อนช่วยใจเราซะก่อนเพราะนั้นใจเรากันแย่มาช่วยใจเพราะไอ้ความคิดทําให้ใจเราต้องเป็นทุกข์อ๋อต้องช่วยใจด้วยความคิดก่อนนะค่ะคิดทางที่ดีในการที่เรากําลังคิดอยู่เนี่ย เรามีสติรู้เนี่ยมันเป็นการตั้งหลักเพื่อจะให้เราตั้งหลักสติให้มันเกิดขึ้นเพอสติเกิดเนี่ยอะไรอะไรมันก็หายไปหมดแล้วเจ๊เวลาไปคิดสิ่งเหล่าเนี่ยแล้วก็งัวลนอนไม่หลับไม่ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นปีหน้าปีไหนจะเป็นยังไงไม่สําคัญหรอกวันนี้เราทําให้ดีซะวันนี้ทําให้ดีทําให้ดีที่สุดนะวันนี้ดีเนี่ยวันนี้หละก็คืออดีตของพรุ่งนี้เราทําวันนีีด้ดะ แต่๋ยวพวนี้มันก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆแม้ ว, ว่าวันพรุ่งนี้หรือปีหน้าจะมีอะไรที่เลวร้ายรุนแรงเกิดขึ้นเราก็จะทําใจได้หรอือครับการเตรียมตัวเนี่ยดีมากเราทราบข่าวพยากรณ์ต่างๆหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในไปข้างหน้าเนี่ยก็ดีน ะ, ะเขาช่วยทําเรารู้จักที่เตรียมตัวเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจถ้ามันมีเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะรับมือกับเขาได้ดีแล้วเป็นการเตรียมตัวไว้ แต่การเตรียมตัวนี่ไม่ใช่กังวลค่ะเหยามากังวลเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเตรียมตัวได้การเตรียมตัวต้อนรับกับภัยต่างๆนี่มีมากมายมีแยะเลยในการเตรียมตัวคือหมายความว่าไม่ใช่ให้เรามองในแง่บวกแล้วก็หลงเพลิดเพลินเหลืองเจิ่งไปครับแต่ว่าให้เรามองในแง่บวกแล้วก็กลับมาดูใจของเราดูแลใจของเราให้เป็นปกติคือเราต้องยุติธรรมกับใจเราค่ะให้ความยุติธรรมกับเขา เมื่อเราทําเขาเปื้อนเราก็ต้องเช็ดเขาทําใจเราเปื้อนเราต้องเช็ดเขาให้สะอาดด้วยเราคิดในแง่ลบเราก็คิดบวกได้ด้วยสองอย่างแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยคือความคิดที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นเลยก็ต้องไม่เชื่อมันทั้งคู่่ะคเชื่อตัวสติในต่างฐานของจริงอันนี้ของจริงแน่นอนนะคะเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆไหนมีตัวสติตัวเดียวเนี่ยมันหลุดพ้นอยากปัญหาคือจิตใจไม่ต้องไปถูกกับมันก็ขอย้ํากันตรงนี้เลยสําหรับเพื่อนของเรานะคะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตในวันข้างหน้าในเดือนข้างหน้าหรือว่าในปีข้างหน้าไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับวันนี้วันนี้สำคัญกว่านะะอันนี้คือเกิดจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่เผล่<พ>นะคะอาจารย์เราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ถึงวันนั้นก็ได้ค่ะเดียเรามีชีวิตที่เป็นอิสร ะ, ะดีกว่าจะไปเชื่อคำพยากรณ์เชื่อคนนน้นเชื่อคนนี้เสียทุกคนไปเราจะไม่มีความสุขนะชีวิตเราเนี่ยมันต้อง ควบคุมตัวเองได้อย่าฝากชีวิตเราเนี่ยไปอยู่กับปากคนอื่นหรือสายตาคนอื่นแต่ถ้าเรารับรู้มาก็ถือว่ารู้ไว้ใช่ไหมค่ะแต่อย่าไปหมายมั่นปากอกปากใจุยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แน่นอนเลยอย่นั้นไม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ผมว่าผู้ฟังเนี่ยค่ะทำประกันไปแล้วทำประกันเอาแล้วประกันชีวิตด้วยธรรมะไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพวกเรามีประกันชีวิตด้วยธรรมะเนี่ยโอ้ธรรมะเนี่ยมันกันได้หลายหลายอย่าง การความทุกข์และก็การกิเลสซึ่งตอนเนี้เราควรจะมาหันมาดูใจเราว่าตอนเนี้เรากําลังถูกคุกคามอยู่น ะ, ะนกิเลสกาลังคุกคามอยู่ราคะโทสะโมห ะ, ะโหนี่แหละคือมันคุกคามเราอยู่โมหะคือความกลัวราคะคือความโลภโทสะคือความกโกรธโมหะคือความกลักวกลัวอนาคตกลัวอะไรก็ลูกกลัวที่สิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยกำลังคุก ค, คามจิตคุก ค, คามใจเราอยู่เนี่ยเราต้องจัดการตอนนี้ ด้วยการประกันชีวิตด้วยธรรมะเพื่อป้องกันความกลัวเราจะได้มีชีวิตที่เป็นอิสระไม่ต้องกังวลเรื่องอดีตไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจุบันจึงให้มาประกันชีวิตด้วยธรรมะปฏิบัติตามหลักทำคำําสอนฝึกให้ทานอยู่เสมอเสมอเราต้องฝึกที่จะให้อย่าเป็นแต่ผู้รับปายเดียวคนที่มีแต่จะรับจะรับก็เป็นนิสัยที่มีดีที่ต้องรับอยู่เรื่อยไปทําไมรับมันก็เครียด เป็นผู้ให้การให้เนี่ยไม่ใช่ให้แต่สิ่งของอย่างเดียวไม่ใช่ให้ทรัพย์สินเงินทองเป็นวัตถุไม่ใช่อย่างเดียวถ้ามีอะาอก็ให้นะให้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะให้คือการให้อภัยการให้น้ำใจมีน้ำใจต่อคนใกล้ตัวเราต่อเพื่อนของเราต่อสังคมต่อเพื่อนร่วมโลกการให้แบบเนี้ยถือว่าเป็นพื้นฐานของจิตที่ ทำใหเรามีความสุขจิตที่คิดจะให้ย่อมมีความสุขกว่าจิตที่คิดอยากได้ของเขา mm hmm. เนี่ยการให้ในสําคัญมากซึ่งเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายเลย <Okay. S 1> ให้เวลากับคนใกล้ตัวเรากับลูกกับสามีกับภรรยาเ mm hmm. มื่อให้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เป็นการให้สิ่งภายนอกแต่การรักษาศีลมีชีวิตที่มีศีลห้าเป็นนิดศีลห้าเนี่ยมันป้องกัน เว้นภัยได้ภัยพิบัติที่เกิดจากคนมาทําร้ายเราเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเรามีศีลเราไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ไปเบียดเบียนใครมีศีลห้าโอ้เราก็ป้องกันภัยที่ใกล้ตัวได้ผลสุดท้ายการภาวนาการเจริญสติเป็นการป้องกันภัยได้ถึงที่สุดเลยโดยเพราะภัยในจิตใจคือภัยคือราคะโทสะโมหะสติเป็นการภาวนา เป็นการป้องกันภัยในจิตใจเราแม้ว่าภัยข้างนอกอาจจะเกิดขึ้นถึงแน้อะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีสติเอาไว้ควบคุมภัยในใจพิษภัยต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำใจใเราเป็นทุกข์ได้เนี่ยเราทำอย่างนี้ดีกว่าให้ทานรักษาศีลเจริญสติอยู่เนืองๆเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในนั้นจิตใจฟังดูแล้ว <c oughs> ดูดีนะคะ <c oughs> แต่ก็เหมือนจะเหลือเชื่อนะคะ ว่าแค่เราล้อมรั้วบ้านรั้วใจของเราด้วยศีลด้วยธรรมเนี่ยจะทำให้เกิดผลเป็นศีลรักษาธรรมคุ้มครอง <c oughs> ได้ขนาดนั้นดูดีมากเลยค่ะ <c oughs> แต่บางคนอาจจะไม่ค่อยมั่นใจว่าเราจะจริงขนาดนั้นเลยเชียวเออ่าดีมากเราอยากให้เราลองดูคนที่มีการให้ทานรักษาศีลจเจริญสติ ภาวนาอยูเสมอๆเนี่ยจิตใจจะมีความมั่นคงแล้วก็มั่นใจต้องทดลองดูนะอย่าเชื่ อ, ร <laughs> อเราไปทดลองแล้วเราจะรู้ว่า อ, อนนอกจากจะไม่กลัวภัยแล้วเนี่ย <c oughs> ชีวิตเรายังเปลี่ยนไปในทางดีใช่หไหมมีความเปลี่ยนไปมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตต้องทดลองดูฟังแล้วคิดแล้วนั่นเป็นเพียงแค่ความฝัน เราต้องเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงลองปฏิบัติดูสิสักเจ็ดวันเจ็ดวันเนี่ยไม่ถึงกับบรรลุธรรมนะอาจจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเริ่มจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตอย่ารออย่ารอไปหาความสุขตอนปีใหม่ค่ะเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มได้แล้วเราไม่จะคิดว่าจะทําอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขในช่วงปีใหม่ไปแล้วค่ะเนี่ยรอปีหน้าโอ้อย่าไปรอเลยเดี๋ยวนี้เราก็ทําได้คเนี่ยอย่างตอนเนี้ย เราก็ไม่ได้ผิดศีลที่ไหนเราทําความดีซะด้วยคือการฟังธรรมถ้ามีการภาวนาลุกตัวไปด้วยเนี่ยว่าเรายิ่งทําครบเลยนะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจเลยชีวิตเราเนี่ยมันแน่นอนแ ล, ล้วล่ะคืออยู่ในโลกเนี่ยโลกคือความไม่เที่ยงโลกคือความแตกทําลา ย, ยถ้าเราอยู่ไปจนกระทั้งคู่กับโลกเนี่ยอยู่คู่กับโลกไม่ถึงว่ามีอายุเท่ากับโลกเนี่ยเราก็ต้องแตกทําลายไปพร้อมกับโลก ถึงเราไม่ตายก่อนโลกแตกตอนโลกแตกเราก็ต้องาตายตอาย่าง ว, วันเนี้หรือ ว, ว่าเราตายทุกขณะก็ได้โดยเพราะร่างกายเร่อย็นไหมผมเราก็ร่วงแล้วเซลล์ต่างๆในร่างกายในี่ขี้คลายต่างๆเราขัดเราถูนั่นละเซลล์ผิวหนังก็ค่อยตายไปแต่มีการสร้างใหม่เพื่อเป็นการทดแทนร่างกายก็มีแตการเปลี่ยนแปลงของเก่าตายไปของใหม่สร้างมามันตายอยู่ทุกขณะแล้วจิตใจเราเหรอใจเราก็ตายทุกขณะจิตความคิดเกิดขึ้นความคิดก็ดับไป ค, ความโกรธเกิ ด, ดขึ้นความโกรธก็ดับไปทุกอย่างในมีแต่การเปลี่ยนแปลงหาย ใ, ใจเข้าอเดี๋ยวก็หาย ใ, ใจออกมันเปลี่ยนแปลงมันตายทุกณะ จ, จิตอยู่แล้วเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นตายแบบปัจจุบันเนี่ยเราสังเกต ด, ดูบ่อยๆแล้วปัจจุบันนี่เราก็ตายอยู่แล้วอนาคตนี่อย่าไปกังวลเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็ตาม <laughs> ที่เรากลัว <laughs> เรามันเข้าใกล้เถ้ากลัวแล้วเราเข้าใกล้เนี่ยมันจะเกิดความเคยชินเจอเสือเราลองสบตาเสือนานๆเราจะไม่กลัวเสือค่ะ ถ้าเรากลัวความตายนึกถึงความตายบ่อยๆก็จะคุ้นชินกันมันไม่มันจะไม่กลัวตายคนที่ดุเราเข้าใกล้เขาเราจะรู้ว่าเขาก็ไม่ได้ดุตลอดเลยนะเเพราะฉะนั้นเรากลัวอะไรก็ตามเราฝึกคฝึกเข้าใกล้คนกลัวผีอยู่ในที่เงียบคนเดียวค่ะอยู่ในที่สงบอยู่กับผีเลยก็ได้เอ้าเราก็จะไม่กลัวผีคนที่กลัวงูลองอยู่กับงูจะไม่กลัวงูค่ะทุกอย่างเนี่ยมันเกลือจิ้มเกลือเป็นเคล็ดลับพระทุดงท่านมีความกลัว แต่ถ้าไปนอนในป่าชา้าใช่ไหมก็ไม่เกิดความกลัวมันเกิดความเคยชินนะอาจาระแล้วทีนี้ที่ในพุทธภาษิตที่นํามาเป็นข้อคิดข้อธรรมวันนี้กล่าวเอาไว้ว่าผู้มีสติตื่นตัวอยู่เนืองนิดมีจิตเป็นอิสระจากราคะและโทสะละบุญและบาปได้ย่อมไม่กลัวอะไรเนี่ยนะคะละบาปเนี่ยแม้ก็ใครๆก็คงเข้าใจอะคะ่ะบุญต้องละด้วยหรอคะอ๋อบุญนี่ทําให้มากๆ ทำแล้วก็อย่ายึดมั่นถือมั่นถ้าเกิดความยึดมั่นแปลว่าเรามีบุญมันจะมีตัวเราที่จะรับบุญแล้วถ้ามีตัวเราเนี่ยถ้ามีตัวเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกมันมีการเกิดแก่เจ็บตายแตกดับเอียใช่ไหมเพราะฉะนั้นบาปไม่ทําบุญทําแต่อย่ายไปยึดมั่นถือมั่นถ้าบุนแล้วก็บาปจิตจะพองแพรว เป็นธรรมะขั้นสูงระดับสูงสุดเลยก็ต้องเข้าใจกันให้ตรงเหมือนคําที่อาจารย์วสินชอบใช้นะคะหมุนใจให้ตรงว่าละบุญเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ทําบุญนะคะแต่ละบาปเนี่ยแปลว่าไม่ทําบาปละบุญเนี่ยหมายถึงอย่ายึดติด ถ, ถือมั่นในบุญที่เราทำํำไม่ใช่เลิกทาบุญนะคะเดี๋ยวจะเห็นตรงเข้าใจความผิดละยุ่งเลยก็คำยึดมั่นถือมั่นในบุญเนี่ยเราถือว่าทําให้เราเป็นทุกข์น ะ, ค, ะคนที่มีบุญมากที่กระทุกขมาก ไม่ใช่ว่าทําบุญมากเราเป็นทุกเพราะว่ า, าว เ, เราวาวงจิตวางใจไม่ถูกต้องสร้างบอกสักหลังหนึ่งต้องจารึกชื่อของฉันเริ่มยึดติดล่ะทําความดีทําบุญแล้วก็ต้องได้สิ่งนูน้นได้สิ่งนี้ทําความดีแล้วต้องมีคนมาชมเรามันเป็นการทําให้ตัวตนเราสูงมากยิ่งขึ้นความดีหรือบุญเนี่ยเรายกเอาไว้คแล้วเราก็ทําให้ถึงจุดนูน้นแต่ว่าไม่ใช่เราถึงตรงนูน้นทําบุญแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ที่มีบุญ เอาความเป็นเราออกซะถ้ามีความเป็นเราเมื่อไหร่แล้วก็ทุกข์ก็จะเกิดขึ้นตามมา